เรานั่งภาวนาดันทำความสงบความสงบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายๆเรื่องหลายอย่างในชีวิตของเราเนี่ก็จะเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วเรายังไม่รู้สิ่งต่างๆที่จำเป็นมากๆในชีวิตนี้หลายเจ้หลายอย่างที่เหลยว สิ่อื่นๆีนน่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตนี่มันก็มีที่มีมากมายมาหาศาลหลายอย่างทีเดียวมากแต่ว่าโดยเฉพาะส่วนเฉพาะเอาแค่ในว่าที่จําเป็นต่อชีวิตนี่เราก็ไม่เคยจะรู้จักคือหมายความว่าเราจะอยู่ไปจนกระทั่ ง, งตายนี่นะเราจะอยู่ไปอีกนานกี่มากน้อยแล้เรารู้จักไหมว่า ชีวิตของเราที่เกิดมานี่นะ่ะมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างไหมหรือว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรจะมาเอาอะไรอยู่ในนี้และทีนี้ถ้าเรารู้ดูแล้วว่าเอา้เราจะไม่ได้อะไรนอกเขาที่ผ่าน ม, มาจนอายุป่านนี้แล้วสามสิบสี่สิบ้าสิบหกิเจสิบปีแดสิบปีเนี่ย ดูแล้วว่าเรานึกว่าเราได้เราได้ทรัพย์สินเงินทองเราได้ชื่อเสียงเสียดีโยตเสีเยบิคุณเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้บุกคลของผู้คนชั่วไปหมดนึกว่าได้แล้วแหละแต่จริงๆแล้วมาพิจารณาดูถ้าเผื่อเราถึงใกล้ตรงจะตายนีน่มันจะเอาไปได้ไหมไอ้พวกนั้นอ่ะจะติดตัวไปไหมชื่อเสียง เจ็บติดตัวไปไหมเงินทองอะไรที่เราว่าเราได้มาเยอะนะ่ะจะเอาไปไห ม, มเราเห็นแล้วนี่คนอื่นที่เขาตายไปก่อนเขาตายไปหเห็นหลายคนแล้วเขาไม่เอาอะไรไปเลยระหว่าเงินทองมีอยู่ในบ้านเก็บไว้อย่างดีมันก็ยังอยู่นั่นแหละไม่ตามไปจะว่าร้อยบาทมันก็ยังอยู่ร้อยบาทเต็มที่อยู่ ไม่ตามไปด้วยเลยถ้าว่าเอาไปได้นะเอาไปไม่ได้ไม่สูญหายไปไหนมันอยู่บนโลกเนี่ยชื่อเสียงก็เหมือนกันนั่นแหละชื่อเสียงเขาก็ใช้สาหรับกันและกันรู้กันในบนโลกนี้เท่านั้นนะมันไม่ไปเด่นไปโดง่งไปดังอะไรที่ไหนที่หื่นเลยมันอยู่บนนี้นม่นำตันนะถ้าว่าโด่งดังนะพอผ่านไปอีก1ิบปี ไปไปหายไปแล้วไม่่อมีใครรู้จักแล้วพ็ผ่านไปสักครูคนหนึ่งแล้วก็หมดเลยชื่อเสียงเนี่ยไม่มีใครประนับถือไม่มีใครเขานิยมแล้วล่ะมันหมดอย่างนั้นเนี่ยกระทั่งอยู่บนนี้เองทุกทสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆย่อยค่อยๆแฉลยออกไปอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่เราคิดไา้เราได้น่ะมากอบมาโยวยป่าต้อนออกมา เสียกำลังร่างกายเสียกําลังใจเสียกําลังมันสมองความคิดความอ่านไปไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไรในขณะเดียวกันก็ทําบาปไปเพื่อการต่างๆเหล่านะั้นไม่รู้เท่าไหรนะ่นั่นเห็นแล้วในที่สุดมันก็ค่อยๆกระจายกลับตืนไปค่อยๆสลายค่อยๆหมดไปไอกองใหญ่ๆนั่นะค่อยๆทลายลงราบเรียบหมดคืนไปเป็นของโลกหมดนี่เราเห็นลนะอา่าสมมุติว่าเราเห็นลนะ เราเห็นละเรารู้ล่ละว่ามันมันจะไม่ได้อะไรจริงๆนะทีนี้ก็เลยมาศึกษาบทคําสัสา่งสอนของพระพุทธเจ้าพอท่านพูดถึงว่าตายสัจใจเราจึงมาได้คิดบ้างว่าเออเราเกิดมาอยู่ด้วยกันมีกายมีใจนี่ะแต่ไหนแต่ไรมาก็ อ, อยู่ด้วยกันไปด้วยกันนั่นแหละปรากฏว่าเราไม่ได้เอาใจใส่จิตใจของตัวเองเลย มีแต่สนใจ ร, ร่างกายนั่นแหละถ้าว่ามันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์มันจะฝุดผ่องยองใหญ่อะไรดีๆเนะี่ะหามาประคบประหงบำรุงร่างกายเลยร่างกายนี่ยรับการบำรุงได้รับการเอาใปใส่เยี้ยวแ้วมาตลอดเวลาในฝุกฝนอบรมจนกรทั้งจากมันอ่อนแอตัวเล็กๆเกจิบโตขึ้นมาจนกระทั่งใหญ่โตแข็งแรงเฉ็นแฉง ทำอะไรได้ต่างๆห ล, ลายอย่า ง, งาหัวจสมองก่อนไปจุกฝนอบรมไปร่บไปเรียนมาจนกระั่งเก่งกาจสามารถนั่นแหละเป็นส่วนของร่างกายแต่ว่าส่วนจิตใจนี่จิตใจของเราเนี่ยที่เป็นผู้รับรู้อยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่เลยจิตใจแต่ละวันเนี่ยจะอยู่กับเมื่อกับตัวสักทีหนึ่งแสนจะยาก เราลองพิจารณาดูเจ็บวันหนึ่งวันหนึ่งได้ระลึกกลับมาที่ตัวเองได้มารับรู้ตัวเองรู้ว่าเราเดินไปเดินมานสักกี่ครั้งอา้าวถ้าสมมุติว่าไม่ได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายมีผู้วาจางของพวกเราเปน็นต้นเราจะได้ราลึกกลับมาไหมจะรู้ตัวไหมสักทีหนึ่งเนี่ยอา้าวถ้าเราไม่ที่ช้อนะ เราไม่คดไม่โกงไนงะมันจะเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้เริ่มลึกกลับมาที่ตัวเองสักทีไม่รู้ตัวเองสักทีไปรู้แต่เรื่องอื่นนั่นนั่นแหละนั่นละคือจิตอ่อนแ่ะคือจิตใจเนี่ยไม่ได้รับการฝึกหรือไม่ได้รับความสะดวกสบายไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ได้รับการหยุดการยั่ยงสักทีวันหนึ่งเนี่ย ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านะั่นอีกอย่างลมหายใจอย่างนี่นะ่ะวันหนึ่งจะเคยเห็นไหมหรือทั้งเกิดไหมบางคนวันนี้เออเราหายใจอยู่น้อนี่นะ่ะอย่างนี้มีสักทีไหมนะนั่นแหละไม่เห็นจิตใจเนี่ยมันก็เป็นผู้ไปรับรู้รับทราบกับพฤติกรรมของร่างกายมาเรื่อยๆแล้วก็มาทีไรได้รับผลยังไงมันก็มา กระทบอยู่ในนี้ในใจของตนเองเนี่ยเจ็บใจเสียใจดีใ จ, ใจรักหลงอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้นะเป็นเรื่องที่มันมาแล้วมันมากระทบเขามามากระพับอยู่ในใจเพราะฉะนั่นคนเราเจึงจิตใจไม่ค่อยเข็มแข็งก็เม่าจิตใจไม่ค่อยเยี่ยมแข็งทีจิตใจที่มันไม่อยู่จะให้อยู่ยืนหยัดก็ยืนหยัดไม่ได้ นะครับเ่ายืนหยัดนี่ก็อย่างเช่นว่ากรแะแสบมันพัดมาแรงๆอย่างเนี้ยถ้าเราเข้มแข็งหรือเอาอยัางเราปักหลักอันหนึ่งไว้ที่นในลําแม่น้ําโขงเนี่นะกระแสบมันจะมาแรงเท่าไหรเท่าไหร่แต่เราปักหลักของเราไว้มั่นโคงยืนหยัดอยู่นั่นอ่ะพัดแรงยังไงมันก็ไม่โค่นนั่นแหละเรียกว่าแข็งแรงเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้ อารมณ์ที่พัดมานส่วนนั้นกันอารมณ์ที่มากระทบจิตกระทบใจนะอารมณ์เนี่กระทบจิตกระทบใจมันมากระทบก่อจิตใจที่ไม่เข็งแรงไม่แข็งแรงก็ไปตามอารมณ์นี่ไง อ, อารมณ์ที่น่ารักให้มาน่าชอบใจก็ชอบใจไปตามเดินเล่นชอบใจลุ่มหลงไปล่องรอยไปหละไม่หยุดไม่ยัง้งอยู่เฉย อยู่นิ่งๆนะไม่ได้ถ้าอารมณ์โกรธมาอารมณ์ที่เราไม่ชอบมากระทบต่อไปแล้วโกรธเรื่องอันนั่นเรียกว่ามันเสพมันโดนกระแทกปลิวคัดไปตามอารมณ์นั่นแหละเป็นเครื่องสังเกตให้เห็นว่าจิตใจเราไม่มีกําลั ง, ลงทีนี่ถ้าทําความสงบนะถ้าทําความสงบจิตใจจะมีกําลังยืนหยัดอยู่ได้อันนี้ แค่ที่กินแล้วท่านบอกว่าจิตใจเดิมแท่นั้นเป็นจิตใจที่สว่างสะอาดสงบแต่ที่เดี๋ยวนี้นะ่ยมันไม่อยู่สงบนั่นนะเพรเพราะว่ามันไม่ได้รับการปลุกมาเลยและไม่ได้รับการดูแลเลี้ยงแลเหมือนอย่างลูกเจ้าเราเนี่ยเกิดมาพ่อแม่ไม่ดูแลเลยเนี่ยไปสมคบคิดกับหมูกับเพื่อนไปพูดไปคุยไปหยอกไปเล่นไปหัวกันเนี่ยไปเล่นหัวกับบุคคลเช่นไรอยู่ก็มีวิจัยอย่างนั้นอนะ่ะ ติดมาติดจนเป็นชั้นดานของเด็กนั้นน่ะนานแสนนานเวลาเราจะให้หยุดจะให้จิตหยุดหยุดยังเพื่อจะให้ดูให้รู้จักอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้ดูให้รู้ให้แน่ก็หยุดไม่ได้ เมื่อหยุดไม่ได้สิ่งดีๆที่เราสมควรจะรู้ที่เราสมควรจะรู้จักอย่างที่กลาวในตอนตอนน้นเลาในเรื่องสาระของชีวิตนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักก็เลยไม่รู้จักผ่านมาผ่านมาจนกระทั่งบัดนี้นิ่แหละสาเหตุของทียทะต้องทจิตให้สงบเมื่อทำจิตสงบลงได้แล้วเราจะไปดูอะไรไปพิจารณาอะไรไปรับฟังอะไรไปเห็นอะไรเนี่ย มันจะพิจารณาจะหยุดยัง้งไม่เตะไปไม่กระเด็นไปไม่ปลิวไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะได้หยุดยั้งได้พิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามันสมควรจะติดตามไปไหมมันสมควรจะเอาไหมมันสมควรจะเอามาแบบไว้ในจินในใจไหมเรื่องต่างๆเหล่านั้นแล้วนก็จะรู้จักสิถ้ามันมันยืนหยัดอยู่ได้มันไม่ปลิวกระเด็นไปสะกลมก็จะเรียดูได้ รู้ได้เท่าที่แล้วมาเนะ่ยมันกระเด็นไปเสก่อนเพราะอะไรมันจะรู้ก็ไปแล้วเรื่องน่าชอบใจมาถึงเท่ากัชอบใจไปเลยก็หลุดไปจากความที่จะเห็นความเป็นจริงว่ามันน่าเอาเหลอมันน่ายึดไว้เลยอารมณ์อันนี้นะ่ะเลยไม่รู้จักพระพุทธองค์ตรัสไว้บอกว่าทุกสิงทุกอย่างมีความเป็นจริงของมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือมันเป็นอนิจจัง มันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตานี่มันมีความจริงอยู่อย่างนั้นเละตั้งนานมาแล้วนะแต่จิต ด, ดวงนี้ใจดวงนี้นะไม่เห็นสักทีนั่ น, นแหละจําเป็นจะต้องทําความสงบซะก่อนทาความสงบให้จิตสงบให้ใจสงบสงบเป็นสมาธิเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วจึงจะได้พิจารณาดูให้มันแน่มันชัดไม่ทันล้มซะก่อนดูซะกัอน พอดูแล้วจะเห็นว่าออพระพุทธเจ้าจัดไว้ว่ามันเป็นอนิจจังออมันจิ๋มนะอย่างไปเห็นความสวยอย่างนี้นะอันนี้สวยเหลือเกินน่ารักใคร่รุมลงอย่านี้อลองพิจารณาดูยืนหยัดอยู่อย่าเพิ่งไปรักไปหลงอย่าเพิ่งไปใคร่ยืนหยัดอยู่เนี่ยพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าเออมันเป็นอนิจจังอ่ะไม่นานหรอกอีกปีนอีกสองปี อีาเดือนอะไรเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่สวยแล้วที่ว่าสวยน่ารักหน่อยก็จะไม่น่ารักแล้วมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะจริงตามธรรมพระพุทธเจ้าถ้าจิตเราสงบเท่าไรการที่จะเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าจัดาวไปเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นมาทุกทีทุกทีถ้าจิตสงบมากก็เห็นชัดเจนขึ้นมากจิตไม่สงบหรือสงบนิดนิดหน่อยหก็เห็นนิดนหน่อยหน่อย เรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละยิ่งโดยที่สุดแล้วว่าความเป็นอนัตตานั่นอะอ น, นิจจังตุขังอนัตตาถ้าจิตเราสงบสงบสมส่วนสมควรมันแล้วมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะน่ารักหรือมันจะน่าทั้งหรือมันจะดีหรือมันจะไม่ดีหรือมันจะถูกหรือมันจะผิดอะไรต่างๆนี่แหละแต่ก่อนเราคิดเห็นอย่างนั้นะมา บ, บัดนั้น เห็นแล้วว่าเออทูกสิงทุกอย่างถึงแม้มันจะถูกแต่มันก็เป็นอนัตตามันก็เป็นเรื่องของมันมันไม่ได้ว่าถูกไม่ได้ว่าผิดเราวิแต่เรานั่นแหละไปว่าเอาตัวมันนั้นมันไม่ได้ว่ามันก็ไปอย่างนั้นเฉยๆอย่างดินน้ำไปลมมาประกอบกันเป็นตัวของคน่มันไม่ได้ว่ามันเป็นคนหรอกเนี่ยจริงๆแล้วนะมันมาประกอบกันตามวิถีการของความเปลี่ยนความหมุนความเปลี่ยนไปทัโลก ประกอบกันดินน้ำไปรวมมาประกอบกันเป็นตัวเป็นก้อนอนะนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาเติมเองหรอกเติมที่ว่าคนรูปร่างอย่างนี้อย่างนี้แปว่าผู้หญิงรูปร่างอย่างนี้ว่าผู้ชายถ้าสัดส่วนพอเหมาะพอดีรูปตรงทั้งทางนี้เรียกว่าสวย น, นี่จะเล่าเรื่องแหละกำกับขึ้นมาเองแต่งข้้งขึ้นมาเอง มาพิจารณาดูแล้วเออความจริงมันไม่ได้อย่างที่เราว่าแล้วมันเป็นไปตามเมืองของมันส่วนเราล่ะมาแต่งตั้งขึ้นมาเองแล้วเราก็อยากจะให้เป็นไปตามใจเราอยากจะให้สวยนี่มันสวยอยู่นานๆแต่มันก็ไม่เซ้นมันก็เป็นไปตามมันมันก็ไม่ได้ว่ามันสวยมันก็อยู่อย่างนี้ตัดส่วนมันขนาดนี้รูปตรงสันฐานมันอย่างเนี้ยักพักๆนึงแล้วมันก็ไป เี่ยนไปนมันไปอย่างนั้นมันไม่ได้ว่ามันหายจากสวยแล้วเป็นที่เลยมันก็ไม่ได้ว่าเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเออให้มันเป็นอนาาัตตาจริงจมันไม่ใช่เรื่องโครงการอะไรของเราหรอกความจริงมันเป็นไปตามมันความเห็นอันนี้จึงจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าจิตใจสงบนะมี่ฉะนั้นแล้วก็ต่อให้อีกหลายพบหลายชาติสายกลับหลายกาันมันก็ไม่เห็นละไม่เห็นความจริงอันนี้ ซึ่งความจริงอันนี้ก็ไม่ได้ปิดบังไม่ปิดบังเลยมาตั้งทุกยุกทุกสมัยไม่ใช่ยุคสมัยของพระพุทธองค์พระธรรณะโคดมสมัมาสัมพุทธเจ้าของเหล่านี้เท่านั้นมันเปิดเผยมานานแล้วตั้งแต่หลายพระองค์ผ่านมาแล้วความเป็นจริงอันนี้ก็ยังมีอยู่ตลอดพอ ต, ต่อเ ม, มื่อมีพระพุทธเจ้ามาจัด แสดงธรรมเทศนาให้ได้เราได้คิดดูว่าพิจารณาดูให้แน่ๆที่หยดุดด้วยก่อนใจนั่นอย่าเพิ่งเพีนผลาดพิจารณาเถิดดูดิว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันจริงยิ่งกว่านั้นมีไหมจริงยิ่งกว่าที่เราว่าสวยนะ่นมันมีไหมในนั้นน่ะนี่ถ้าจิตสงบแล้วมันจะผ่านความสวยไปมันจะผ่านความที่เลวไปมันจะผ่านความรักไ ป, ม, ม, กไปมันจะผ่านความชังไป แล้วมันจะไปเห็นความจริงที่แอบอยู่ข้างหลังนะคือมันเป็นอนิจจังแล้วเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคนเราเกิดความทุกข์เพราะอะไรเอาพูดง่ายๆยภาษาเน่ะนอกว่ามันมีทุกขังทุกมันขังอยู่นั่นอ้าวก็เราไม่เห็ น, นเลยดิเราไม่รู้จักันอยู่ก็ไปก็ไปเอามามันก็ได้มาตั้งก้อนเลยทีก้อนในนั้นมันมีทุกทุกมันขังอยู่ในนั่น ไปเอามามันก็มาแตกพัวแล้วก็รดราบลงไปบนหัวใจเราสิเราก็ทุกอ์อดีคนนี้น่ะเรื่องคนนี้อย่างนั้นน่ะถ้าเรารู้เรื่องรู้ราวนะจิตใจสงบแล้วได้พิจารณาดูดูจริ ง, จ ร, ง, จ, รงจริงดูให้มันแน่แน่ชัดชัดเมื่อก็เห็นลึกไปพระพุทธองค์บอกว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาอนิจจังน่ะเห็นละคือความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ง่ายทุกขังเป็นลักษณะของความทุกข์ความคนอยู่ในนั้นน่ะ อนสิ่งต่างๆมันมีอยู่มันแอบอยู่ไม่เคยว่ามันจะอยู่อย่างนั้นมันพยายามจะอยู่อยู่อยู่ตรงอยู่อยู่แต่มันอยู่ไม่ได้นั่นหลักคือความตนไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่ในนั้นะแล้วมองต่อไปอีกมันเป็นอนัตตาถ้าเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ใช่โครงการอะไรของเราแล้วมันโครงการของมันมันไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราเมื่อกว้างเท่านึงเมื่ว้างแล้วมันจะทุกข์กับทุกข์ไปดิ้ทุกข์มันก็อยู่นู่นนี่ ถ้าฉลาดแล้วมันจะต้องสรุปลงไปจนมีจนไดน้ถ้าศาบใดที่ยังไม่สรุปไปอย่างนี้จนได้แล้วไม่ฉลาดหรอกความค้นทุกข์นั่คพ้นไม่ได้หรอกพ้นไม่ได้จิตดวงนั้นใจดวงนั้นจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความสงบแล้วพิจารณาจริงๆจังๆแล้วจึงจะปล่อยจะวางจริงๆจังๆได้ไม่ไปยุ่งกับมันมันจะสวยก็ไม่ไปยุ่ง มันจะอิเล่ก็ไม่ไปอยู่มันจะน่ารักไม่อยู่หน้าชางก็ไม่อยู่เพราะมันเป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเราเมื่อไม่เกี่ยวแล้วก็อยู่ใครอยู่มันมันจะแปลจะเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรนี่เรื่องมันอยู่ตรงนี้มันจะพลนมันพนทุกตรงนี้ชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยถ้าจะพูดนะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็บอกเขาให้มาหาวิธีาลัทุกเพราะว่าไอ้เกี่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี่ เกิพบนี้ชานนี้มาตั้งแต่พบไหนชาติไหนต่อๆกันมาเนะน่ยนี้แต่ทุกข์ท้งนั้นนะพยายามกระเสือกกระสนจะทํำยังไงเนาะจะทำยังไงนาะงงนจะพลุกลุกเนี่ยไมาชาตินี้ก็เหมือนกันเขาให้มาตรงนี้นะมันดีแล้วเนะี่ยวิธีที่จะออกจากทุกข์เขาก็สอนกันอยู่ในโลกนี้แหละเรามาพบแล้วสาระของชีวิตแก่นสารของชีวิตเนะี่ยถ้าเราจะจับจะถือเอา มันก็น่าจะถือเอาได้ในช่วระยะเวลาชีวิตห้าสิบหกสิปีที่ผ่านมาเรามัวเอาไปทําอะไรอยู่ถ้าเราเอามาพิจรารณาเรื่ออย่างนี้โดยทําจิตให้สงบก่อนแล้พิจรารณาติงต่างๆมันย่อมได้แก่นสารสาระมันย่อมได้ความรู้จักว่าเราไปมัวยึดมัวถืออะไรอยู่ทําไมอาจะพ้นทุกข์มันวางออกเพียนเรามารู้จัก อันนี้เลยว่ารู้จักวัตแก่นสารของชีวิตคืออะไรและต่อจากนั่นไปก็จะต้องพยายามหาเอาฝึกฝนเอาแกนสารของชีวิตที่มันเกิดในจิตจริงๆอันนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกช่วยชีวิตเราที่เหลือเนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าจะทำอะไรเราก็ยังต้องใช้เวลาใช้เวลาในการที่จะฝึกฝนสติสัมปชัญญะเดี๋ยฝึกฝนสมาธิให้จิตมีกำลัง มีกําลังเพื่อจะไปพิจารณาสิ่งต่างๆทุกอย่างทุกเรื่องให้มันปลดเรื่องออกไปจากความเกาะความพันของจิตของใจกับอารมณ์ต่างๆกับปีนต่างๆจนได้นั่นล่ะปิญญาพลเพื่ะนั่นแก่น่างของชีวิตที่เราจะต้องทำมีอีกมากไม่ไม่ใช่น้อยงานในมีอจะเยอมากงานที่จะต้องทําในจิตในเรื่องจิตนี้มีอยู่อีกมาก และเป็นงานที่สําคัญเป็นแกนสารสาระที่เราทํามาตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นเปลือกมันเป็นเปลือกของชีวิตเป็นกระพี้ของชีวิตเป็นตะเกียของชีวิตไม่ใช่แก่นสารอะไรเลยนีละจึงต้องเริ่มถ้าเราเริ่มนั่งสมาธิฝึกฝนสมาธิฝึกฝนตรีสัมปชัญญะก็คือเราเริ่มเอาแก่นเอาสารยาละาอันนี้เพราะฉะนั้นก็ให้หัดทำความสงบนี่แหละก่อน เราจะรู้จักการที่พระพุทธองค์ตรัสหรือไม่แต่เราก็จงเริ่มไปตามวิธีที่พระองค์ตรัสไว้เริ่มฝึกอันนี้แหละสติคือความระลึกสำัำปัจญญาคือความรู้ตัวถ้าจะให้รู้ตัวมันต้องระลึกกลับคืนมาที่ตัวที่ตัวเองถ้าเราระลึกไปที่อื่นอย่งางเช่นระเลือกไปที่สวนสัตว์เราจะนึกเห็นช้างเห็นเสือ แต่ถ้าเราระลึกกลับมาที่ตัวเราเองเราจะรู้จักว่าเออเรานั่งอยู่มันรู้อย่างนี้ล่ะรู้ตัวพยายามฝึกตอนนี้ฝึกให้มันอยู่กับรู้ตัวนี่แหละให้มันรู้อยู่ตรงนี้นานนานนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันได้ยา ว, ย, าวยิ่งดีได้นานๆยิ่งดีถ้าจิตอยู่อย่างนี้ได้นานๆก็หมายมาความว่าจิตไม่เทนผ่านไปไหน อันนั้นหลักคืจิตจะได้อยู่นิ่งเราจะมาพูดอันนี้กันก่อนเมื่อจิตอยู่นิ่งทำนานทานานเข้าแล้วจะนำไปพิจเรณาเรื่องต่างๆอีกมากมายมีงานรออยู่ข้างหน้าอีกมากเอา้าต่อไปนี้เราฟังเทศของหลวงปู่นะทำใจให้สงบสบไว้ในเรานี่แหละเดีย๋ยตรงไปไหนให้นึกว่าเสียงของหลวงปู่จะมีข้ออัดข้อทำในเสียงเศของหลวงปู่มันจะมายืด ล่องลอยมาจะมาเข้าสู่สสจิตสู่ใจเราทางหูเราเนี่ยแต่เราเอาจิตเอาใจนี้ไปแล้วนี่จากตรงนี้ไปแล้วมันจะเข้ามาเก็บที่ไหนมันจะมารู้ที่ไหนมันเข้ามาหูซ้ามันก็ทะลุหูขวาก็ไปเลยเพราะฉะนั้นต้องรักษาจิตใจมันนี่อย่าส่งเส้นผ่านไปรับรู้อยู่ที่ตนของตนเองนี่แหละคอยฟังอยู่ตรงนี้นึ่งๆอยู่ตรงนี้